ราละเอียดของบทนี้โดยทั่วไปจะเห็นอย่างเด่นชัดถึงพื้นฐานในการเผยแพร่เชิญชวนสู่อิสลามซึ่งเราพบว่ามีการใช้หลักฐานที่เฉียบขาดชัดเจนกินกับปัญญาพระบทมัคียะได้ถูกประทานลงมาที่นครมักกะซึ่งมีชาวเมืองส่วนใหญ่เป็นพวกบูชาจเวดการเรียกร้องเชิชวนสู่ศาสนาอิสลามในช่วงที่อยู่ในนครมักกะมีสองรูปแบบที่เด่นชัด ซึ่งน้อยนักที่เราจะพบในที่อื่นๆทั้งสองรูปแบบนั้นก็คือรูปแบบสำนวนที่ย้ำไม่เห็นอย่างชัดเจนและยอมรับในที่สุดรูปแบบสำนวนการสอนให้จบๆประการที่หนึ่งสำนวนที่ย้ำไม่เห็นอย่างชัดเจนและยอมรับในที่สุดคือคัมภีร์อัลกุรอานจะเสนอหลักฐานที่เกี่ยวกับการให้เอกภาพต่อวอโดยระบุถึงหลักฐานที่บ่งบอกถึงการมีอลจล้อ พระองค์ทรงเดชาสามารถเป็นผู้เหนี่ยมน้าในรูปแบบที่ต้องยอมรับเขียนได้จากข้อความที่ใช้ในอัลกุรอานในรูปสรรพนามแทนพระองค์เป็นการย้ำและเน้นได้เห็นอยู่เสมอและวในที่สุดมนุษย์ก็ต้องยอมรับในความเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้วิบากด้วยปริยายประการที่สองจำนวนแบบการสอนให้จดจำเช่นสอนในทรารสุรลลอสลลอลวะสลัมได้เอาไปโต้ตอบ วิธีนี้จะมีมาในรูปคำถามและคำตอบเบื้องนี้จึงกล่าวได้ว่าบทอัลอันอามจึงเป็นบทมักคิยาที่มีความยาวและความสำคัญในการเผยแพร่เชิญชวนสู่อิสลามซึ่งประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงต่างๆ ป, ประกอบการให้เอก ภ, ภาพต่อรอดในด้านการสร้างและการบังเกิด กล่าวถึงท่าทีของพวกปฏิเสธสภาต่อศาสนาทูตและเรื่องราวของคนรุ่นก่อนๆกล่าวทุกวันฟื้นคืนชีพรละวันเห็นการตอบแทนความดีความชั่วพร้อมทั้งได้ ก, กล่าวถึงบิดาแห่งบรรดาศาสนทูตคือท่านอบีอิบรอฮิมอะไลสลาหซึ่งเรื่องราวของท่านนั้นเป็นอุทาหรณ์อนันียิ่งแก่พวกเราทุกคนสาเหตุที่ตั้งชื่อบทนี้ว่าอัลอันอา เพในบทนี้มีเรื่องเกี่ยวกับปศุสัตว์และสัตว์สีเท้าอันได้แก่ปูอัวแพะและแกะบริพระนามขออัล่อผู้สูบครุณาผู้สูบเม็ดต่างเสมอทัูง ันนีการสรรเสรินั้นเป็นสิทธิ์ของ Allah ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและได้ทรงให้มีความมืดและแสงสวา่างแต่แล้วบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นก็ยังให้มีสิ่งอืนเท่าเทียมกับพระผู้ยบานของพวกเขาวีลกมน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 ไม่มีองค์การใดจากบรรดาองค์การแห่งพระผู้ยบานของพวกเขามาอย่างพวกเขานอกจากเล่ปรากฏว่าพวกเขาผิดหลังให้แก่อง์การนั้นแล้วก็ได้คดบบิดยักแล้วเมมาเจ้า ه แน่นอนพวกเขาได้ปฏิเสธความจริงเมื่อความจริงนั้นได้มาอย่างพวกเขาแล้วข่าวคราวของสิ่งที่พวกเขาเคยเยอะอย่างเวลนั้นก็จะมาอย่างพวกเขา พวกเขาไม่ได้เห็นดอกหْือว่า กี่ประชาชาติมาแล้วที่เราได้ทำลายมาก่อนหน้าพวกเขาซึ่งเราได้ให้พวกเขาเคยมีอำนาจและความสามารถในแทนบินซึ่งสิ่งที่เราไม่ได้มีให้แก่พวกเจ้าและเราได้ส่งผลมายัางพวกเขาอย่างมากมายเราได้ดีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างของพวกเขาแล้วเราก็ทำลายพวกเขาเสียเนื่องด้วยบรรดาความผิดของพวกเขา ถ้าเราได้มีประชาชาติอ <spe> <ambling> ื่นเกิดขึ้นหลังจากพวกเขาแล้วเราได้ลงมาแก่เจ้าซึ่งคำพีฉบับหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในกระดาษ และพวกเขาก็ได้สัมผัสคำพินนั้นด้วยมือของพวกเขาเองแน่นอนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาย่อมกล่าวว่าสิ่งนี้มีใช่อื่นใด น, นอกจากลมัยยาพนอันชัดแจ้นเท่านั้นผู้เขาได้กล่าวว่าท่านหลายล่า มะลักจึงไม่ได้ถูกลงมาให้แก่เขาและหากว่าเราได้ให้มะลักลงมาแล้วแน่นอนกิจการทั้งหลายนั้นก็ย่อมถูกชี้ขาดและพวกเขาก็จะไม่ถูกรอคอยหากว่าเราได้ให้เขาเป็นมาลัก แน่นอนเราก็ย่อมให้เขาเป็นคนผู้ชายแต่แน่นอนเราก็ได้สิ่งที่พวกเขาคลุมเครือกันอยู่เป็นที่คลุมเครือแก่พวกเขาต่อไปแน่นอนบรรดาศาสนาพูดก่อนเจ้านั้นได้ถูกเยยหยังมาแล้วดังนั้นจึงได้ ล้อมบรรดาผู้ที่เย้ยหยันศาสานาทูตเหล่านั้นไว้ซึ่งสิ่งที่พวกเขาเคยเยอะหยันกันจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพวกเจ้าจงเดินทางไปในแผ่นดินเถิดแล้วจงพิจารณาดูว่าบ้านปลายของผู้ปฏิเสธศรัตนั้นเป็นอย่างไรบ้าง قل ل من مات السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه ا ل ر ح م ة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا عيد فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ว่าสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของใครจงกล่าวเถิดมัวหมัดว่าเป็นของอัลลอฮ์พระองค์ได้ทรงกำหนดความเมตตาไว้ในตัวของพระองค์แน่นอนพระองค์จะส่งรวบรวมพวกเจ้าไปสู่วันกิยมามะโดยไม่มีการสงสัยใดๆในวันนั้นบรรดาผู้ที่ทำตัวของพวกเขาขาดบุญนั้นพวกเขาก็จะไม่สัตย์ สิ่งที่สงบเงียบอยู่ในเวลากลางคืนและกลางวันนั้นเป็นสิทธิของพระองค์โดยที่พระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้กล่าวว่าไม่ใช่ ل ระเจ้าที่จะขัดขืนพระทิศสวรรค์และโลกองค์ทห้อาหารแลม่ให้อาา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 ว่าแท้ที่จริงฉันนั้นถูกใช้เป็นคนแรกในหมู่ผู้ที่สวามีพระและพวกเจ้าจงอย่าอยู่ในหมู่ผู้ให้มีภาคี่เป็นนันครับต้องกล่าวเถอดมัวใหม่เพาแท้ที่จริงฉันกลัวการลงโทษในวันทีงยิ่งใหญ่หากฉันฝ่าฝืนพระผู้อภิบาลของฉัน ไม่ยุสรัฐอันยาวมอิดินกักดรหฐมะวดาลิคันฟังดุลมบีนผู้ใดาย่การหลโทษได้หันเหะออกจากเขาในวันนั้นแล้วแน่นอนพระองค์ทรงเมตาเขาและนั่นคือชัยชนะอันชัดเจ็ดว่ายัมชัสกัลล้าหุดรินฟลาคาชิฟลาหูอิลลาหู และหากว่าอัลลอฮ์ทรงให้ความเตือดร้อนอย่างหนึ่งอย่างใดประสบแก่เจ้าแล้วก็ไม่มีผู้ใดจะปิดเปลื้มมันได้นอกจากพระองค์เท่านั้นและหากพระองค์ทรงให้ความมีอย่างหนึ่งอย่างใดประสบแก่เจ้าแท้จริงพระองค์นั้นทรงเดชานุภาพ เนุิงววาและิระองคือผู้ทรงอำนาจเหนือพวงเบาของพระและพระองคือผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงรอบรู้อย่างยิ่ง。 شهيد بيني وبينكم، و أ و ح َ إلي هذا القرآن لأُنذركم به وما بلغ، أإنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قل لا أشهد. قل إنما هو إله واحد، وإنني بريء. ต้องกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าสิ่งใดใหญ่ยิ่งกว่าในการเป็นพยานจงกล่าวเถิดว่าอัลลอฮ์นั้นคือผู้เป็นพยานระหว่างฉันกับพวกเจ้าและอัลกุรอานนี้ก็ได้ถูกประทานลงมาแก่ฉันเพื่อที่ฉันจะได้ใช้อัลกุรอานนี้ตักเตือนพวกเจ้าและผู้ที่อัลกุรอานนี้ไปถึงพวกเจ้าจะยืนยันโดยแน่นอนกระนั้นด้วยว่ามีพระเจ้าอื่นร่วมกับอลัลลอฮ์ จงกล่าวเถิดมูฮัมมัดว่าฉันจะไม่ยืนยันจงกล่าวเถิดแท้จริงพระองค์นั้นคือพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและแท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากสิ่งที่พวกเจ้าให้เป็นผาผีแกบ่บออกกลามเรา هم هم บรรดาผู้ที่เราได้ประทานคำพีให้แก่พวกเขานั้นพวกเขารู้จักเขาเช่นเดียวกับที่พวกเขารู้จักลูกๆของพวกเขาเองบรรดาผู้ที่ทให้ตัวของพวกเขาขาดทุนนั้นพวกเขาจะไม่สัมผัส และผู้ใดเล่าที่อาธรรมยิ่งกว่าผู้ที่อุปโลกความเพ็ดให้แก่เราหรือปฏิเสธบรรดาอง์การของพระองคแจริ ง, งบรรดาผู้อาธรรมนั้นจไ่ไน้รับวา่างเสมอกัน ไอานา شركاؤ คุณที่นักนุ่มจะดินละในวันที่เราจะชุมนุมพวกเขาทั้งมวลและเราจะกล่าวแต่บรรดาผู้ที่ให้มีภาขีขึ้นว่าไหนเล่าบรรดาภาขีของพวกเจ้าที่พวกเจ้าอ้างกัน وا แล้วผลในการทดสอบพวกเขาก็มิได้เป็นอย่างอื่นนอกจากพวกเขากล่าวว่าขอสาบานต่อลอผู้เป็นพระผู้อบิบาลของเราว่าพวกเราไม่เคยเป็นผู้ให้มีภาคีขึ้นแต่อย่างน้น อู้ดร์ كيف كذبوا ั ل ى أ ลา س ه م وضل عنهم ما كانوا يسمون มุหัมมัดจงพิจารณาเถิดว่าพวกเขาได้โกหกตัวของพวกเขาเองอย่างไรและสิ่งที่พวกเขาอุปลโลกขึ้นก็หายไปจากพวกเขาละมินพวกไม่จะมื่นอยู่ย وجعلنا على قلوبهم أكمة أن ي ف ق ه و ه وفي آذانهم و ق ر ا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا س ا ي ر الأولين ในหมู่พวกเขานั้นมีผู้ที่สดับฟังพวกเจ้าหรืบ้างแต่เราได้มีสิ่งปิดกั้นอยู่บนหัวใจของพวกเขาในการที่พวกเขาจะเข้าใจอันอุราอาตและได้ให้ในหูของพวกเขามีความหลวกอยู่ด้วยถ้าพวกเขาเห็นสัญญาณทุกอย่างพวกเขาก็จะไม่ศรัทธาจงกระทังพวกเขาได้มาหาเจ้าทั้งยังโตเถียงกับเจ้า บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นจะกล่าวว่านี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นเพียงนิยายโบราณเท่านั้นวะฮุมยันฮาอันหูวยันเอูนอันฮูวะอิยุลิกูนอิลลาอันฟุซะฮุมวมายัชรูนและพวกเขาหามเกี่ยวข้องกับอัลกุรานและพวกเขาก็ปีกตัวออกจากอัลกุรอาน และพวกเขาจะไม่ทำให้ใครพินาศนอกจากตัวของพวกเขาเองเท่านั้นแต่พวกเขาไม่รู้สึกุหากเจ้าจะได้เห็นขนาดที่พวกเขาถูกให้หยุดยืนอยู่ยยยเบื้องหน้าไฟนรก แล้วก็เขาได้กล่าวว่าโอ้หวังว่าเราจะถูกนากลับไปและเราก็ไม่ปฏิเสธบรรดาองค์การของพระวิบาลของเราอี้และเราก็จะได้กลายเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้สภาบบลลมนุกวอ แต่ถ้ า, าได้ประจักษ์แก่พวกเขาแล้วสิ่งที่พวกเขาปกปิดไว้แต่ก่อนกลับแต่หากว่าพวกเขาถูกนําให้กลับไปแน่นอนพวกเขาก็จะกลับไปกระทําสิ่งที่พวกเขาถูกห้ามไว้อีกและแท้ที่จริงพวกเขาคือผู้กล่าวเพีย้ยนผู้ลลดดนนเขากล่าวว่า มันไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราในโลกนี้เท่านั้นแล้วเรานั้นใช่ว่าจะเป็นผู้ถูกให้ฟื้นคืนชีพกว่าไหมหามาว่าเจ้าจะได้เห็นขณะที่พวกเขาถูก ให้ยืนอยู่เบื้องหน้าพระผู้อวบาตของพวกเขาโดยที่พระองค์ได้ทรงกล่าวว่านี่ไม่ใช่ความจริงหรือพวกเขาตอบว่าใช่ครับขอสาบานต่อพระผู้อวบาตของพวกเราพระองค์ตรัสว่าพวกเจ้าจงลิ้มรสการลงโทษกันเถอะเนื่องจากการที่พวกเจ้าปฏิเสธศ <'Q ual S 3> รัรทธา حتى إذا جاءتهم الساعة بقتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ณนอร์ได้ขัดทุนไปแล้วบรรดาผู้ปฏิเสธต่อการทบทวน จนกระทั่งเมื่อวันกิยามาได้มาอย่างพวกเขาอย่างกระฐานะพวกเขา ก, กล่าวว่าโอ้ความเสียใจยของพวกเราในสิ่งที่เราได้ทําให้บกพร่องในโลกโดยที่พวกเขาจะแบกความผิดของพวกเขาไว้บนหลังของพวกเขาพึงทราบเถิดว่าช่างเลวร้ายจริงๆสิ่งที่พวกเขากําลังแบกบอิยู่ และชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้นั้นไม่ใช่อะไรอยู่นอกจากการเล่นการเพลอดเพลเท่านั้นและแน่นอนสำหรับบ้านแห่งอาฟิวรอนนั้นดียิ่งกว่าสำหรับบรรดาผู้ที่ยำเกรงหาพวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกลี ي ي เราซาบีว่าสิ่งที่พวกเขากล่าวนั้นทำให้เจ้าเสียใจที่จริงพวกเขาหาได้กฏิเสธยเจ้าไม่แต่ทว่าบรรดา تُتِئَتْ ولقد كذبت ر س ُ ل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى <تصغي> أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبي المرسلين. และแนนอนบรรดาศาสนทูตก่อนเจ้านั้นได้ถูกปฏิเสธมาแล้วและพวกเขาก็อดทนต่อสิ่งที่ถูกปฏิเสธและถูกทำลายจนกระทั่งความชื่อเหลือของเราได้มาหย่างพวกเขาแล้วก็ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงกัมหลักของลอดได้แต่แท้จริงนั้นได้มาถึงอย่างพวกเจ้าแล้วข่าวคราวของบรรดาผู้ที่ถูกส่งมา وَإِن كَانَ ك َ ب ُ ر َ عَلَيْكَ إعْرَاضُهُمْ فَإِلَّا س َ ت ط َ ع ْ ت َ أَن تَبْتَغِيَنَّ ثَقَلًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا أَوْ سُلْمًا فِي ا ل س َّ م َ ا ي ِ ف َ ت َ أ ْ ت ِ ي َ ه ُ م َ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ا ل ْ م ُ د َ ا ى فَلَا ت َ ك ُ و ن َ ن ّ مِنَ الْجَاهِلِينَ หากว่าการผินหลังให้ของพวกเขานั้นมันใหญ่โตแก่เจ้าแล้วหากว่าเจ้าสามารถจะสแสวงหาช่องทางใดๆลงในแผ่นดินหรือบันไดสู่ฟ้าฟ้าแล้วนำสัญญาณหนึ่งมายังพวกเขาและหากว่าเอาลอดทรงประสงค์แล้วแน่นอนพระองค์ก็จะทรงรวบรวมพวกเขาให้อยู่ในทางนําดังนั้นพวกเจ้าจงอย่าเป็นคนหนึ่งในหมู่บรรดาผู้โงกเขลาเลย ون, ى ي م م ถ้าจริงที่จะตอบรับนั้นเพียงบรรดาผู้ที่ได้ยินเท่านั้นส่วนบรรดาคนตายนั้นอัลลอฮจะสรงให้พวกเขาฟื้นคืนชีพและพวกเขาก็จะถูกนำกลับไปอย่างพระองค์ “ ว, ز ز วกาาาูล่าวลาาาาาาาาาาาิาาญญ า, าะาาระาราาาาาาุาานาาลาาาาาาาาินาาาาาอาาาาาาาาาาาาาาาาาานาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา่าาาาาาาาาาาาาาาา่าาาาาาาาาาาาาาาามาาาาาาาาาางาาาาาการะาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาามาาาาาาา ควาแท้ที่จริงของรนั้นสรงสา ม, มารถที่จะให้สัญญาณหนึ่งลงมาแต่ทว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู้ว่า ม, ามีดาบตีในที่อับดวละคายทรียองตีรเป็นตัอย่าองพวกเขมากอุมาอัลกุมที่เรตได้เขียนไว้ในม และไม่มีสัตว์ใดๆในแผ่นดินและไม่มีสัตว์ปีกใดๆที่บินด้วยสองปอีกของมันนอกจากพระหนึ่งเป็นประชาชาติเยี่ยงพวกเจ้านั่นเองเราไม่ได้ให้บกพร่องกตอย่างใดในคำพีแล้วยังพระผู้อภิบาลของพวกเขานั้นพวกเขาจะถูกนำไปชุดุ บรรดาผู้ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเรานั้นคือผู้ที่หูหนวกและเป็นใบ้ซึ่งอยู่ในความมืด ผู้ใดที่ล้สทรงประสงค์พระองค์ก็จะสรงให้เขาหลงทางและผู้ใดที่โปร่งทรงประสงค์ก็จะสรงให้พวกเขาอยู่บนทางอันจริงจันจงกล่าวเถิดอุหัมมัดเจ้าได้เห็นพวกเจ้าแล้วมิใช่หรือ หากการลงโทษของอัลลอฮ์มายัางพวกเจ้าหรือวันกิยามะได้มาอย่างพวกเจ้าอื่นจากอัลลอฮ์กระนั้นหรือที่พวกเจ้าจะวิงวอนหาพวกเจ้าเป็นผู้พูดจดดดริงหาไม่ได้เฉพาะพระองค์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะวิงวอนขอ แล้วพระองค์จะทรงกลดเคลื่อสิ่งที่พวกเจ้าวิงวอนให้ช่วยเหลือหาพระองค์ทรงประสงค์และพวกเจ้าก็จะลืมสิ่งที่พวกเจ้าให้มีภาคีขึ้นว แท้จริงเราได้ส่งไปยังประชาชาติก่อนหน้าเจ้าและเราก็ได้ลงโทษพวกเขาด้วยความแรงแค้นและการเจ็บป่วยเพื่อว่าพวกเขาจะได้นอบน้อม แล้วจะไหนเล่าพวกเขาจริงไม่นอบน้อมเมื่อการลงโทษของเราได้มาอย่างพวกเขาแต่ถ้าว่าหัวใจของพวกเขาแข็งกระด้างและชายตอนก็ได้ทำให้สวยงามแก่พวกเขาด้วยสิ่งที่พวกเขากระทำกับ ครั้นเมื่อพวกเขาลืมสิ่งที่พวกเขาถูกเตือนให้ระลึกเราก็เปิดประตูของทุกสิ่งให้แก่พวกเขา จนกระทั่งเมื่อพวกเขาหลงระเริงต่อสิ่งที่พวกเขาได้รับเราก็ลงโทษพวกเขาโดยกระทันหันแล้วทันใดนั้นพวกเขาก็หบรรลุและได้ถูกตัดขาดจนคนสุดท้ายของกลุ่มผู้อาถรรพและการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮ ผู้เป็นพระเจ้าแห่งสายพันธุ์โลกขุลเอรัยทุมอินอั้ดอัลลอฮฺสมัติทุมและดุซาร์ทุมและขัดมากลาบุคุมมนอิลาห์ขุนกาลเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือ ถาอโลทรงเอาหูและตาของพวกเจ้าไปแต่ได้ทรงประทับตราบนหัวใจของพวกเจ้าด้วยแล้วใครเล่าคือพระเจ้าอื่นจากอโลอที่จะนำมันมาให้แก่พวกเจ้าได้จงพิจารณาดูเถิดว่าอย่างไรเล่าที่เราแจกแจงองค์การทั้งหลายแล้วพวกเขาก็ยังหันเหออกไปได้ ا أ กล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือว่าหาการลงโทษของอัลลอฮ์มาอย่างพวกเจ้าโดยกระทันหันหรือโดยเปิดเผยนั้นจะไม่มีใครถูกทำลายนอกจากบรรดากลุ่มผู้อธรรมเท่านั้น และเราจะไม่ส่งบรรดาศาสน า, าพูดมานอกจากในฐานะผู้แจ้งข่าวนี้และผู้แจ้งข่าวร้ายเท่านั้นดังนั้นผู้ที่ศรัทธาและปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขา ก็จะไม่เสียใค์การของเรนั้นการลงโทษจะประสบแก่พวกเขาเนื่องากกากับรรดาผู้ปฏิเสธองค์การของเรานั้นการลงโทษจะประสบแก่พวกเขาเนื่องจากการที่พวกเขาทำชั่ว วَาล ع อัลลัมล์ล้วยบและละอัล ل ัลลัมอื่นนี่มันคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอ ا ์อัลล و ฮ์อัลลَฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ันลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัล่อฮกอัลาวฮ์อัลลอฮอัลอฮ์ัลลอฮัลลอฮ์อัลลออัลลอลาอฮ์ัััอ และฉันก็ไม่รู้สิ่งเร้นลับแต่ฉันก็จะไม่กล่าวแก่พวกเจ้าว่าฉันคือมาลักฉันจะไม่ปฏิบัติตามนอกจากสิ่งที่ถูกให้เป็นองค์การแก่ฉันเท่านั้นจงกล่าวเถิดว่าคนตาบอดกับคนตาดีนั้นจะเท่าเทียมกันไหมพวกเจ้าไม่ค่าควรดอกหรือ <um เจ้าจงตักเตือนด้วยอัลกุรอานแกบรรดาผู้ที่เกรงกลัวว่าพวกเขาจะถูกนำไปชุมนุมยังพระผู้อวิบายของพวกเขาโดยที่อื่นจากพระองค์แล้วไม่มีผู้คุ้มครองใดๆและไม่มีผู้ช่วยเหลือใ ด, ดๆสำหรับพวกเขา ولا ت ق ر د الذين يدعون ربهم بالغدات و ا ل ع ش ي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقرضهم. ะะ้นคเจ้าจงยาขับไล่บรรดาผู้ที่บินวนต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาทั้งในยามเช้าและยามเย็นโดยปรารถนาความโปรดปรานจากพระสภาพของพวกเขาไม่เป็นภัยแก่เจ้าแต่อย่างใดและสภาพของเจ้าก็ไม่เป็นภัยแก่พวกเขาแต่อย่างใดแล้วเหตุใดเล่าจึงจะขับไล่พวกเขาถ้าเจ้าทําเช่นนั้น وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أ ه ؤ ا ء م ا أن الله عليهم أهؤلاء إما أن الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم ب ا ل ش ا ِ ر ي ن ในในคำนองนั้นเราได้ทดสอบบางคนของพวกเขาด้วยอีกบางคนเพื่อพวกเขาจะได้กล่าวว่าชนเหล่านี้กระนั้นหรือเพื่อลอทรงกรุณาแก่พวกเขาในหมู่พวกเรามิได้เป็นผู้ทรงรู้ดียิ่งต่อบรรดาผู้ที่รู้กุลกริย์ และเมื่อบันดาลผู้ที่ศรัทธาต่อองค์การของเราได้มาหาเจ้าก็จงกล่าวเถิดว่าขอความสันติจงมีแด่พวกเจ้าเถิด พระผูวยบานของพวกเจ้าได้กำหนดความเอ็นดูเมตตาไว้ที่ตัวของพระองค์แล้วว่าผู้ใดได้หมู่พวกเจ้ากระทำความชั่วโดยไม่รู้แล้วเขาสานึกผิดกลับเนื้อกลับตัวหลังจากนั้นและประปับปรุงแก้ไขแล้วแท้จริงพระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอบิ <S <S และในทานองนั้นเราจะแจกแจงองค์การทั้งหลายและเพื่อที่วิถีทางของผู้กระทาผิดจะได้ประจักษ์ชัด ل ل จงกล่าวเถิดมวฮัมมัด ว่าแทที่จริงฉันถูกห้ามไม่ให้เคารพสการะบรรดาผู้ที่พวกเจ้าวิงวอนกันอยู่อื่นจากอัลลอฮ์ต้องกล่าวถึงว่าฉันจะไม่ปฏิบัติตามความคร่ของพวกเจ้าถ้าเช่นนั้นฉันก็ย่อมหลงผิดไปด้วยอย่างแน่นอนแต่ฉันก็จะไม่ใช่เป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ได้รับา่างนำ ต, ลลต้องลลกล่าวเถอดมูัมหมัดแท้ทจริงฉันอยู่บนหลักฐานอันชัดเจนจากพระผู้อธิบาลของฉันในขณะเดียวกันพวกเจ้าก็ปฏิเสธหลักฐานนั้นที่ฉันนั้นไม่มีสิ่งที่พวกเจ้าเร่งรีบกันดอกแท้จริง การชี้ขาดนั้นไม่ใช่สิทธิของใครอื่นนอกจากเป็นสิทธิของอัลลอฮ์เท่านั้นโดยที่พระองค์จะทรงเล่าความจริงและพระองค์เป็นผู้ที่เยี่ยมที่สุดในบรรดาผู้จำแนกความจริงออกจากความเท็จกล่าวอันในดที่มาแต่สั่งจีลูนบิฮิละ قضية الأمر بيني و ب ي ن ล م الله أ ล ل م بالظالمين ทรงกล่าวเถิดนโมะ หากฉันมีอำนาจที่พวกเจ้าเร่งรีบกันแล้วแน่นอนกิจการทั้งหลายก็จะถูกชี้ขาดระหว่างฉันกับพวกเจ้าแล้วลอ้นั้นเป็นผู้ทรงรู้ดียิ่งต่อผู้อาถรรมทั้งหลายวาายายาาาวายามมารรวาิมลลลบบบอ ขณะที่พระองค์ทรงมีบรรดากุญแจแห่งความเด่นลับโดยที่ไม่มีใครรู้กุญแจเหล่านั้นนอกจากพระองค์เท่านั้นและพระองค์ทรงรู้สิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน ในทะเลและไม่มีใบไม้ใดร่วงหล่นนอกจากพระองค์จะทรงรู้และไม่มีเมล็ดพืชใดซึ่งอยู่ในความมืดของแผ่นดินและไม่มีสิ่งที่เปียกชุม่มใดๆและสิ่งที่แห้งใดๆนอกจากจะอยู่ในบันทึกอันชัดจจะเท่าวลลยานั้น ي ي า และพระองค์คือผู้ที่ทรงให้พวกเจ้าตายในเวลากลานคือและทรงรู้ในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำขึ้นในเวลากลงางวันแล้วก็ทรงให้พวกเจ้าฟื้นคืนชีพในเวลานั้น เพื้เวลาแห่งอายุไขที่ถูกกาหนดไว้นั้นจะได้ถูกใช้ใ ห, หมดไปแล้วอย่างพระองค์นั้นคือการกลับไปของพวกเจ้าแล้วพระองค์จะทรงบอกแก่พวกเจ้าให้ทราบสิ่งที่พวกเจ้าเคยกระทําไว้วววัลกาาฮิรออบดดยุตตตตดาาาดุุมต ิอหุมพวกคือผู้ทรงอำนาจเหนือพวงบ่าวของพระองค์และทรงส่งผู้บันทึกความดีและความชั่วมาอย่างพวกเจ้าด้วยจงกระทั่งเมื่อความตายได้มาอย่างคนใดในหมู่พวกเจ้าแล้วบรรดาโูตของเราก็จะรับชีวิตของพวกเขาไปโดยที่พวกเขาจะไม่ทําให้บกพร่องเลย มม ال ق, พวกเขาก็ถูกนำกลับไปยับเอาล้อผู้เป็นนายอันแท้จริงของพวกเขาพิงทราบเกิดว่าการตัดสินชี้ขาดนั้นเป็นสิทธิของพระองค์เท่านั้นและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่รวดเร็วยิ่งในหมู่ผู้ชำระสอบสวนทั้งหลาย กลาเมยหนว่าใครเล่าจะช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากความมืดของทางบกและทางทะเลโดยที่พวกเจ้าวิงวอนขอพรงด้วยความนอบน้อมและแผ่วเบา ว, าว่า ถ้าหากพระองค์ทรงช่วยให้เรารอดท้นจากสิ่งนี้แล้วแน่นอนพวกเราก็จะเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้รุกจจมมรุกจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าเราจะช่วยพวกเจ้าให้รอดพ้นจากมันและจะากความทุกข์ยากทุกอยาก่าง الله القادر على أيبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شياو ويذيق بعضكم بأس بعض. อมบรรลลุงคุิลาดเรล่องมุ ม, มัดพระปรงค์คือผู้ที่ทรงสามารถที่จะทรงการลงโทษมาอย่างพวกเจ้าจากเบื้องบนของพวกเจ้าหรือจากใต้เท้าของพวกเจ้าหรือให้พวกเจ้านั้นปนเปนกันโดยมีหลายัวกและให้บางส่วนของพวกเจ้าลิ้มรสซึ่งการลุกรานของอีกบางส่วน จงพิจารณาดูเถิดมูฮัมมัดว่าเรากำลังแจกแจงองค์การต่างๆอยู่อย่างไรเพื่อว่าพวกเขาจะได้เข้าใจ<ะ><ะ>และกลุ่มชนของเจ้านั้นได้ปฏิเสธคำเพียอัลกุรอานท่างท่านที่อัลกุรอานนั้นเป็นสัจธรรมจงกล่าวเถิดมูฮัมมัด ว่าฉันไม่ใช่ผู้พิทัก์พวกท่านหรอกสำหรับแต่ละข่าวคราวนั้นย่อมมีเวลาที่เกิดขึ้นและพวกเจ้าจะได้รู้ว่าอิดารัยทัลลดีนยะขูดูนฟีอายาตินั้ะอาริบกันฮุมหัตตยะขูดูฟีฮะบิฟิมไร และเมื่อเจ้าเห็นบรรดาผู้ที่กำลังวิพากษ์วิจาร์บรรดาองค์การของเราแล้วก็จงออกห่างจากพวกเขาเสียจนกว่าพวกเขาจะวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องอื่นและถ้าชายตอนทำให้เจ้าลืมก็จงอย่านั่งรวมกันกับพวกที่อาจรำเหล่านั้นต่อไป หลังจากที่มีการเตือนให้นึกขึ้นได้และไม่เป็นภัยแก่ผู้ที่ยำเกรงแต่อย่างในจากสภาพของพวกเขาแต่ถ้าว่าต้องตักเตือนพวกเขาเพื่อว่าพวกเขาจะได้ยำเกรง و َ ذ َ ر الَّذِينَ ا س ت َّ خ َ ذ ُ و ا دِينَهُمْ ل َ ع ِ ب َ و َ وَلَهُمْ و َ غ َ ر َ ر ت ْ ه ُ م ُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِرْفِيهِ أَن ت ُ ب ْ س َ ل َ ن َ س ْ س ُ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَرِيُّ وَلَا شَفِيعٌ و َ إ ِ ن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلِ اللَّهِ يُؤْخَذْ مِنْهَا อุลาอิคัลลดีนอุบซิลูบิมาคสบูละหุมชราบมินหมีมินวะอ ذا บนอลีมมบิมาคานูยกฟรูนและจงอย่ายุ่งเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ยึกเอาศาสนาของพวกเขาเป็นของเล่นและสิ่งให้ความเพิดเปลิดและชีวิตความเป็นอยู่ในโลกนี้ได้หลอกอวกพวกเขา และเจ้าจงเตือนด้วยอัลกุรอานการที่ชีวิตหนึ่งจะถูกสังกัดอยู่กับสิ่งที่ชีวิตได้แสวงหาไว้โดยที่อื่นจับเอาลอแล้วจะไม่มีผู้คุ้มครองใดๆและไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆสำหรับชีวิตนั้นและถ้าชีวิตนั้นจะถ่ายถอนด้วยสิ่งไถ่ถอนทุกอย่างมันก็จะไม่ถูกรับจากชีวิตนั้น คนเหล่านี้คือบรรดาผู้ที่ได้ถูกให้สังกัดอยู่กับสิ่งที่พวกเขาได้สแสวงหาไว้ซึ่งพวกเขาจะรับเครื่องดื่มจากน้ําที่ร้อนจัดและจะได้รับการลงโทษอันเจ็บแสบเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาเคยปฏิเสธการสัทาต่ย์พากลานว่า ونرد على عقابنا بعد إذهدان الله كلب استهوته الشياطين في الأرض حيران حيران له أصحابه يدعونه إلى ا ل ه د ا ت نا قل إنه د الله هو الهدا ร, รุบบลกลาภรบมูฮัมหมัดว่าเราจะวิงวอนขอต่อสิ่งที่ไม่ให้คุณแก่เราได้และไม่โทษแก่เราได้อื่นจากอัลละ์กระนั้นหรือแล้วเราก็จะถูกให้หันส้นเท้าของเรากลับหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ทางนำแก่เราดังผู้ที่พวกชายตอนได้ทำให้พวกเขาหลงเข้าไปในแผ่นดิน ในสภาพที่หงุดหซึ่งเขามีเพื่อนๆ เ, เรียกร้องให้ไปสู่ทางนําที่ถูกต้องว่าจะมาหาพวกเราเถิดจงกล่าวเถิดงวงมันว่าแท้ที่จริงทางนําของล้อเท่านั้นคือทางนําที่ถูกต้องและพวกเราได้รับบัญชาให้สวามิภักดิ์แด่พระผู้อธิบาลแห่งสาคนลโลก วพวกเราได้รับบัญชาว่าจงปฏิบัติละหมาดและจงยำเกรงพระองค์เถิดและพระองค์คือผู้ที่พวกเจ้าจะถูกนำกลับไปถึง กลลุพระองคือผู้ที่ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินด้ความจริงและวันที่พระองค์ตรัสว่าเจ้าจงเป็นขึ้นแล้วมันก็จะเป็นขึ้นพระดำนัสของพระองคือความจริงและอำนาจทั้งหลายนั้นเป็นของพระองค์ ในวันที่แตรจะถูกปรับพระองคือผู้ทรงรอบรู้สิ่งร่นลับและสิ่งเปิดเผยและพระองคือผู้ทรงปริชาญผู้ทรงรอบรู้อย่างายิ ت ت ่งนน จงรำลึกถึงขนาดที่อิบรอฮีินได้กล่าวกับบิดาของเขาคืออาชัดว่าท่านจะยึดอบันดาจเจวิตเป็นพระเจ้ากระนั้นหรือแท้จริงฉันเห็นว่าท่านและกลุ่มชนของท่านนั้นอยู่ในกลุ่มผู้ที่หลงผิดอันชัดแจ้ง และในตานางนั้นแหละเราจะให้อิบราฮีมเห็นอำนาจอันยิ่งใหญ่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและเพื่อที่เขาจะได้เป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้เชื่อมั่นทั้งหลาย ฉันเมื่อความมืดของกลางคืนปกคลุมเขาเขาได้เห็นดวงดาวดวงหนึ่งเขากล่าวว่านี่คือพระเจ้าของฉันแต่เมื่อมันลับหายไปเขาก็กล่าวว่าฉันไม่ชอบบรรดาสิ่งที่หายหลับไป ฟัลลมะมรอัลกวาบรบัซรัน์ข้า่าฮาดารับีฟัลล ม, มาอะลขาวาขเลืลลอินลัมย่อดีรั บ, บีล้วคูนันมินัลกนม้นนัลนีนคันเม้นนั้นนั้นดว้จังนนันนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนั้นนนนั้้นนั้นันันนั่นมันนันั้นั เกาก็กล่าวว่าถ้าพระเจา้าของฉันไม่ทรงให้ทางนำฉันแล้วแน่นอนฉันก็จะกลายเป็นคนหนึ่งในกลุ่มชนที่หลงผิดแลัมม่อระอมทิางิระเขล่าวารั่นพร้าอั่นรู้ทุลัมมือระอิต์อกลาววากนฉนนผู้ที่ท่านะ ครันเมื่อเขาเห็นดวงอาทิตย์กำลังขึ้นเขาก็กล่าวว่านี่แหละคือพระเจ้าของฉันนี่แหละใหญ่กว่าแต่เมื่อมันหายลับไปเขาก็กล่าวว่าโอกกลุ่มชนของฉันถ้าจริงฉันก็ปลีกตัวออกจากสิ่งที่พวกเจ้าตั้งพระคีขึ้นแก่เรา ا أ ถ้าจริงฉันขอผินหน้าของฉันแดบพระผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินในฐานะผู้ที่ใฝ่หาความจริงและฉันไม่ใช่คนอื่นในหมู่ผู้ตั้งพรรคกิจะละัลลัค กลุ่มชนของเขาได้โต้เถียงเขาเขาได้กล่าวว่าพวกเจ้าจะโต้เถียงฉันในเรื่องของล็อกระดันเรือ ถ้าแท้จริงพระองค์ได้ทรงให้ทางนําแก่ฉันฉันจะไม่กลัวสิ่งที่พวกเจ้าตั้งให้เป็นภารกิจขึ้นนอกจากพระผู้อภิบาลของฉันจะทรงประสงค์สิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่านั้นพระผู้อภิบาลของฉันนั้นมีความรู้กว้างขวางทั่วทุกสิ่งแล้วพวกเจ้าไม่นำลึกกันบ้างหรือ َكَيْفَ أَنَّكُمْ عَلَيْكُمْ يُنَزِّلْ أَخَافُ تَخَافُونَ مَا وَلَا بِاللَّاهِ أَشْرَدْتُمْ أَشْرَدْتُمْ مَا لَمْ سُلْطَانًا بِهِ และอย่างไรเล่าที่ฉันจะกลัวสิ่งที่พวกเจ้าได้ตั้งคามคิดขึ้นโดยที่พวกเจ้าไม่กลัวที่พวกเจ้าได้ตั้งความคิดสามรอ ซึ่งสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ทรงให้มีหลักฐานใดๆลงมาแก่พวกเจ้าในสิ่งนั้นแล้วฝ่ายใดเล่าในสองฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายที่สมควรต่อความปลอดภัยยิ่งกว่าหากพวกเจ้ารูม้ <S <S <S แสดาผู้ศรัทธาโดยที่ไม่ได้เห็นความศรัทธาของพวกเขาประปรนกับลานด้าน่าคีต่อรอนั้นชนเหล่านี้แหละพวกเขาจะรับความปลอดภัยและพวกเขาคือผู้ที่รับเอาทานนำอันถูกต้องไว้ ว, าาาาวิิจาออเบรมม ك ك ด้านซื้อหลักฐานที่เราได้ให้มันแก่อิบรอฮีมโดยมีฐานะเหนือกลุ่มชนของเขาเราจะยกผู้ที่เราประสงค์ขึ้นหลายขั้นแท้จริงพระผู้อวยพของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงปรีชาญาณ وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ ك ُ ل ٌ هَدَيْنَا و َ ن ُ و ح ا هَدَيْنَا مِنْ ق َ ب ْ ل وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ د َ ا و ُ د َ وَسُلَيْمَانَ و ََ ي ُ و ب َ و َ ي ُ و س ُ ف َ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. ทั้งหมดนั้นเราได้ทันําแล้วและงัวเราก็ได้ทันําแล้วแต่ก่อนโวน้ดและจากลูกหลานของเขานั้นคือดาวูดสุไลมานและอายุและยูซุและมูซาและฮารุและในธรงหนองนั้นเราจะขอบแทนแก่ผู้ที่กระทําดีทั้งหลายและซากริยา และยายาและอิสซาและอิซาทุกคนนั้นอยู่ในหมู่คนนี้และอิสมาเีลและอันยาสาและยูนุสและลูทแต่และคนนั้นเราได้ดีเด่นเหนือกว่าประชาชาติในสากลโลก รเราได้ดีเด่นอีกซึ่งส่วนหนึ่งจากบรรดาบิดาของพวกเขาและลูกหลานของพวกเขาและพี่น้องของพวกเขาแต่เราได้เลือกพวกเขาและได้แนะนำพวกเขาไปสู่ทางอันเพียงตรม ذلك ัวดำพระเจ้าอัลลอฮ์จะอดีบิห์มีอยากจากในนบีและ و อ و أشرقوا لحبط ع ن ه น ما ม ا ن و ا يعملون นั่นแหละคือคำแนะนําของอัลลอฮ์โดยที่พระองค์จะทรงแนะนําผู้ที่พ ร, ระองค์ทรงผสมในหมู่พวงบ่าวของพระองค์ด้วยคําแนะนํานั้นและหากพวกเขาได้ตั้งพรรคีขึ้นแล้วแน่นอน สิ่งที่พวกเขาเคยกระทำกันมาก็สูญสิ้นไปจากพวกเขาออลาอิกัลลดีน่าเตยนาฮุมุลคิตาบวัลฮุคมะวะนุบูะฟ้าอีทุบบิฮาฮาออลาอิกัดวั์ัลนาบิฮาควมัลลิซูบิฮาบิคาฟินทุนเหล่านี้คือผู้ที่เราได้ประทานคำพีให้แก่พวกเขาและคำตัดสิน ในใการเป็นนบีด้วยแต่ถ้าชนเหล่านี้ปฏิเสธศรัทธาต่อมันแน่นอนเราได้มอกมันไว้แล้วแก่กลุ่มชนกลุ่มหนึ่งที่พวกเขาไม่ใช่เป็นผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อมัน ออลลชนเหล่านี้คือผู้ที่อัลลอฮ์ได้ทรงแนะนําไว้ดังนั้นด้วยคาแนะนําของพวกเขาเจ้าจงเจริญรอยตามเถิจงกล่าวเถิดมุลลัมัดว่าฉันจะไม่ขอค่าจ้างใดๆ จ, จากพวกเจ้าในการศรัทธาต่ออัลกุรอานที่จริงอัลกุรอานนั้น ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นคำเตือนสำหรับประชาชานใานสายันละโลส และวพวกเขาไม่ได้ความยิ่งใหญ่แกล้วตามความยิ่งใหญ่ของพระองค์จงดำลึกขณะที่พวกเขากล่าวว่า อัลเหรอไม่ได้ประทานสิ่งใดให้แก่มนุษย์คนใดจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าผู้ใดเล่าที่ได้ทรงประทานลงมาซึ่งคำพีที่นบีมูซานำมาเป็นแสงสว่างและคำแนะนำแก่มนุษย์ซึ่งพวกเจ้าได้บันทึกไว้ในกระดาษโดยที่จะได้เปิดเผยมันแล้วก็ปกปิดมันไว้มากมายและพวกเจ้าถูกสอนในสิ่งที่พวกเจ้าและบรรพคุรุของพวกเจ้า ไม่ได้รู้มากก่อนชองกล่าวเถิดมอมัดว่าผู้ทรงประทานคืออัลล่ะนั่นเองแล้วจงปล่อยพวกเขาสนุกสนานกันในการวิภาพวิจารณ์ของพวกเขาต่อไปว่าหาดาศิกาบุอันเถลมาหุมบาระคุมม ص ุ ص ดิกลดีใบ่นยัดยีวลิทุณดิรอมมัลกราวมันหาวลห้า ลล น, นี่คือคำภีที่เราได้ประทานลงมาอันเป็นคำภีที่มีความจำเร็นและจะยืนยันสิ่งซึ่งอยู่ก่อนหน้าคำภีนี้และเพื่อที่เจ้าจะได้ตักเตือนคนในหัวเมืองและผู้ที่อยู่รอบๆหัวเมือง น, นั้นและบรรดาผู้ที่ศรัทธาต่อพระโลกนั้น พวกเขาย่อมศรัทธาต่อคำพีนี้และขณะเดียวกันพวกเขาก็จะรักษาการละหมาดของพวกเขา ولو ترائذ ا ل ّ ا ل م و ن في غ م َ ر ا ت الموت والملائكة تباصق س أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم ت ج َ و ن عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق َ ك ن ت م عن آياته تستكبرون และใครเล่าคือผู้ที่อาธรรมยิ่งกว่าผู้ที่อุปโลกความเท็จให้แก่ลาวห ร, หรือกล่าวว่าได้ถูกประทานแก่ฉันทั้งข้งที่มิได้มีสิ่งใดถูกประทานให้เป็นองค์การแก่เขาและผู้ที่กล่าวว่าฉันจะให้ลงมาเช่นเดียวกับสิ่งที่อลรรห์ให้ลงมาและหากเจ้าได้เห็นขณะที่ผู้อาจรำอยู่ในภาวะใกล้จะตายและมาลัยกะกำลังแม่มือของพวกเขาโดยกล่าวว่า จงให้ชีวิตของพวกเจ้าออกมาวันนี้พวกเจ้าจะได้รับการตอบแทนซึ่งการลงโทษอันต่ำ ต, ต้อยเนื่องจากการที่พวกเจ้าเคยกล่าวให้ร้ายแก่เราโดยปราศ จ, จากความจริงและเนื่องจากการที่พวกเจ้ายะโสต่อบรรดาองการของพระองค์ <S <S وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفاعكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم و َ ل عنكم ما كنتم تزعمون. พวกเจ้าได้มาที่เราโดยอย่างพังดังที่เราได้บังเกิดพวกเจ้ามาในครั้นแรกแต่พวกเจ้าได้ละทิ้งสิ่งที่เราได้ให้แก่พวกเจ้าไว้เบื้องหลังของพวกเจ้าและเราไม่เห็นอยู่กับพวกเจ้าบรรดาผู้ที่จะช่วยเหลือพวกเจ้าที่พวกเจ้าได้อ้างไว้พวกเขาเป็นผู้มีหุ้นส่วนกับพวกเจ้าแน่นอนได้ขาดเป็นสิ่งแล้วในระหว่างพวกเจ้า และสิ่งที่พวกเจ้าได้อ้างไว้ได้หายไปจากพวกเจ้าแล้วอินนัลลอฮฺดาลิกอลฮับบิวลนวายุคริจอัลฮยะมินอัลเมยติวะมุคริจอัลเมยติมินอัลฮยะดาลิกุมอัลลอฮะอันนาตุแฟนคุนแท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ส่งให้เมล็ดพืชและเมล็ดอินทรพลำมปริต ทรงให้สิ่งที่มีชีวิตออกจากสิ่งไม่มีชีวิตและเป็นผู้ทรงให้สิ่งไม่มีชีวิตออกจากสิ่งมีชีวิตนั่นแหละคืออัลลอฮ์แล้วอย่างไรเล่าที่พวกเจ้าถูกให้หันเหออกไปจากความจริงได้าาดผู้ทรงเผยอ รโนไทแล ะ, ระทรงให้กลางคืนเป็นเวลาพักผ่อนและทรงให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เ <ov> ก <ic religion> ิดการคำนวนั่นคือการกาหนดให้มีขึ้นของผู้ทรงเดชะุภาพผู้ทรงรอบรู้ พระองค์ือผู้ทรงให้มีดวงดาวทั้งหลายแก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะรับการ น, นำทานด้วยดวงดาวเหล่านั้นทั้งในความมืดแห่งทางบกและทางทะเลแน่นอนเราได้แจกแจงองค์การทั้งหลายไว้แล้วสำหรับกลูกทวดทิรู และพระองค์คือผู้ทรงให้เจ้าเกิดขึ้นจากชีวิตหนึ่งโดยให้มีที่พักและมีที่ฝากแน่นอนเราได้แจกแจงองค์การทั้งหลายไว้แล้วสำหรับกลุ่มชนที่เข้าใจวาาหัลลดีออนมมมส فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضراً، نخرج منه حباً، نخرج منه ح ب ا مترانكاً، ومن النخل من طلعها ق ل و ا نداليت وجنات. َجَنَّاتٍ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَ بِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ إِلَىٰ تَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ مِنْ ُنظُرُوا وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي لِقَوْنِي لَآيَاتٍ ذَالِكُمْ พวะงั้นคือผู้ที่ส่งให้น้ำหลังลงมาจากฟากฟ้า และส่งให้ออกมาด้วยน้านั้นซึ่งพันธุ์พืชของทุกสิ่งแล้วเราได้ออกจากพันธุ์พืชนั้นซึ่งสิ่งที่มีสีเขียวจากสิ่งที่มีสีเขียวนั้นเราได้ออกมาซึ่งเมล็ดที่ซ้อนตัวกันอยู่และจากต้นอินทรปลัมนั้นจันของมันห้อยต่ำลงมาและสวนอังหุนและมะกอกและทับทิมโดยมีสภาพคล้ายกันและไม่คล้ายกัน พวกเจ้าจงพิจารณาดูผลของมันเมื่อมันเริ่มออกผลและเมื่อมันแก่สุกแท้จริงในสิ่งเหล่านั้นแน่นอนมีสัญญาณอันมากมายสำหรับกลุ่มชนผู้ศ ร, ร, รัทธา วววพวกเขาได้มีขึ้นแก่ Allah ซึ่งบรรดาภาคีแห่งยิน ท, ทั้งทๆที่พระองค์ทรงบังเกิดมันแต่พวกเขาได้อุปโลกให้แก่พระองค์ซึ่งบรรดาบุตรชายและบุตรหญิงโดยปราศจากความรู้พระองค์ทรงบริสุทธิ์และทรงสูงส่งเกินกว่าที่พวกเขาให้ลักษณะอย่างนั้น พระผู้ทรงประดิษฐ์บรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินอย่างไรเล่าที่พระองค์จะทรงมีพระบุตรโดยที่พระองค์ไม่ได้ทรงมีคู่ครองพระองค์นั้นทรงได้บังเกิดทุกสิ่ง และพรงนั va, no else, ้นก็ทรงรู้ทุกสิ่งด้วยนั่นแหละคืออัลลอฮ์ผเป็นพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพรง ผู้ทรงบังเกิดทุกสิ่งพวกเจ้าจงเคารพสักการะพระองค์เถิดโดยที่พระองค์ทรงเป็นผู้รับมอบหมายในทุกสิ่งสายตาทั้งหลายย่อมไม่ถึงพระองค์แต่พระองค์ทรงถึงสายตาเหล่านั้น และพระองค์ก็คือผู้ทรงปราณีผู้ทรงรอบรู้อย่างดียิ่งแท้จริรบรรดาหลักฐานจากพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นได้มาอย่างพวกเจ้าแล้ว ดังนั้นผู้ใดมองเห็นก็ย่อมได้แก่ตัวของเขาเองและผู้ใดที่มองไม่เห็นก็ย่อมเป็นไถ่แก่ตัวของเขาเองและฉันไม่ใช่ผู้พิทักรักษาพวกเจ้าและในทํานองเดียวกันเราจะแจกแจงองค์การทั้งหลายไว้เพื่อพวกเขาจะได้กล่าวว่า เจ้ามุฮัมมัดได้ศึกษามาและเพื่อเราจะได้อธิบายให้แจ่มแจ้งแก่กลุ่มชนที่รู้จ ง, งปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกประทานลงมาให้แก่เจ้าจากพระผู้อภิบาลของเจ้าเถอะไม่มีพระเจ้าอื่นใดยอยนอกจากพระองค์เท่านั้น และเจ้าจงขืนหลังให้แก่บรรดาผู้ที่ตั้งภาคีเธอและหากว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์แล้วพวกเขาก็ย่อมมิให้มีภาคีเกิดขึ้นและเราก็ไม่ได้ให้เจ้าเป็นผู้พิทักษรักษาพวกเขา และเจ้าก็ไม <c oughs> <oh> ่ใช pues ่ผู้รับมอบหมายให้คุ้มครองรักษาพวกเขาด้วย อมมมมมิลาาารบยยมมน น, าานูพวกเจ้าจงยา ด, ด่าว่าบรรดาพวกวิงวอนขออื่นจากอัลลอจะเป็นเหตุให้พวกเขาด่าว่าอัลลอฮอย่างเป็นสติโดยปราศจากความรู้ในทำรนองนั้นแหละเราได้ความสวยงามแก่ทุกๆุกประชาชาติซึ่งการงานของพวกเขา และยังพระผู้อธิบาลของพวกเขานั้นที่พวกเขากลับไปแล้วโปรงก็จะส่งบอกแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขากระทัาว่าอักสมูบิลล ل ه หิจหดไอมาลิฮิมละอินจาะธุมอายะละย ؤ มินุนนบิฮาคุลอินนมันอายาตุอินดัลล้า และพวกเขาได้สาบานต่อลออย่างหนักแน่ว่าถ้าหากมีสัญญาณหนึ่งมาอย่างพวกเขาแน่นอนพวกเขาจะศรัทธานึ่งด้วยสัญญาณนั้นจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าแท้ที่จริงสัญญาณทั้งหลายนั้นอยู่ที่อลัลลอ์เท่านั้น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 ้เราจะปล่อยให้พวกเขาระเสเร่ร่อนอยู่ในความละเมิดของพวกเขาต่อไป และแม้ว่าเราได้มาลัยกะลงมาอย่างพวกเขาและบรรดาพนตายได้พูดกับพวกเขาและเราได้รวบรวมเอาทุกสิ่งไว้เบื้องหน้าของพวกเขาก็าใจว่าพวกเขาจะศรัทธากัน و َ ك َ ذ َ ل ك َ ج َ ع َ ل ن ا ل ِ ك ُ ل ِ ن َ ب ي ٍ ع د و ً ا ش َ ي ا ط ي ن َ ا ل إ ِ ن س ِ و َ ا ل ْ ج ِ ن ي و ح ي ب َ ع ض ه م إ ل ى بَعْضٍ ز ُ خ ْ ر َُ ا ل ق َ و ْ ل غ ر و ر ا و َ ل َ و ش َ ا ء ر َ ب ّ ك َ مَا ف َ ع ل ُ و ه ف َ ذ َ ر ه م وَمَا ي َ ت ر ُ و ن แลในทำนองนั้นแหละเราได้มีศัตรูขึ้นแก่น บ, บีทุกคนคือบรรดาชัยตอนมนุษย์ยินและบางส่วนของพวกเขาจะกระซิบกระซาบอีกบางส่วนซึ่งกับพูดที่ตกแต่งเพื่อเป็นการหลอกลวงและหากว่าพระผู้บานของเจ้าประสงค์แล้วพวกเขาก็มิกระทามันขึ้นได้เจ้าจงปล่อยพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาอุปโลก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 أ ف َ غ َ ي ْ ر َ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمَهُ ً ا و و َ ا ل َّ ذ ِ ي أَنزَلَ إلَيْكُمُ ِ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا ت َ ك ُ و ن َ ن َّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ إرنجاب ألغرند الذي تشن جسّل ها حُوّ ِ ي ّ ك ا ت ทั้งๆ ท, ที่พระองค์เป็นผู้ทรงประทานคมพีลงมาแก่พวกเจ้าในสภาพที่ถูกแจกแจงไว้อย่างละเอียดและบรรดาผู้ที่เราได้ประทานคมพีแก่พวกเขานั้นในพวกเขารู้ดีว่าแท้จริงอรุ ป, ปรานนั้นถูกประทานลงมาจากพระผู้ยบานของเจ้าด้วยความเป็นจริงเจ้าอย่าได้อยู่ในความสงสัยเป็นอันขาด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 และพวกเขาไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดนอกจากพวกเขาจะคาดคะเนเอาเองเท่านั้นอินนบบะกะฮวอลัมมัยะิลุอันสตีลฮีวะฮว่าอลัมบิลมุฮตดีแท้จริงพระผู้บานของเจ้านั่นคือผู้ที่ทรงรู้ดียิ่งต่อผู้ที่กำลังหลงไปจากทางของโกและเป็นผู้รู้ดียิ่งต่อบรรดา ดัง น, มมดนั้นพวกเจ้าจงบริโภคจากสิ่งที่พระนามของลอตถูกกล่าวออกมาบนบันทึก หากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาต่อบรรด ب ِงَ์การของพวก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 และพวกเจ้าจงอย่าบริโภคสิ่งที่พระนามของอัลลอฮ์นิได้ถูกกล่าวบนมัดและแท้จริงมันเป็นการละเมิดอย่างแน่นอนและแท้จริงบรรดาชัยตอนนั้นกระซิบกระซาบแก่บรรดาสหายของมันเพื่อพวกเขาจะได้โตเถียงกับพวกเจ้าและถ้าหากพวกเจ้าเชื่อฟังพวกเขา แม่นอนพวกเจ้าก็เป็นผู้ที่ตั้งทาทีขึ้นแกาวว่า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 และในตำบลนั้นแหละเราได้มีขึ้นในแต่ละตำบลซึ่งบรรดาบุคคลสำคัญๆเป็นผู้กระทำความผิดแห่งตำบล น, นั้น <c oughs> เพื่อที่พวกเขาจะได้วางทนอุบายหลอกลวงในตำบล น, นั้น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 และเมื่อได้มีองค์การใดมายังพวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่าเราจะไม่ศรัทธาเป็นขาะจนกว่าเราจะรับอย่างที่บรรดาศาสนาพูดของอัลลอฮ์ได้รับมาแล้วอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งถ้าที่พระองค์จะทรงให้มีสารของพระองค์ บรรดาความสั่งต้อยและการลงโทษอันรุนแรงจากลอร์นจะประสบแก่บรรดาผู้ที่กระทำความผิดเนื่องจากการที่พวกเขาวางอุบายหลอกลวงกันมลอส َمَنْ يُرِدْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ بَيْقَنْ يَصَّحْعَدُ فِي يَجْعَلُ صَدْرَهُ السَّمَاءِ كَذَالِكَ اللَّهُ الرِّجِسَ عَلَى حَرَجًا كَأَنَّمَا اللَّذِينَ ผู้ใดที่ร้อนทรงต้องการให้เขาได้รับทางนันพกพระองค์ก็จะทรงให้หัวอกของพวกเขาเบิก บ, บานเพื่อลา兰 และุู้ใดที่พรงคทรงต้องการที่จะปล่อยให้เขาหลงถา่าพก็จะส่งให้หัว อ, อกของพวกเขาแคบอึดอัดเพราะหนึ่งว่าพวกเขากำลังขึ้นไปบนฟ้าฟ้าในานองนั้นแหละอัลลอฮจะทรงให้มีความโสม ม, มแก่บรรดาผู้ที่ไม่ศ ร, รับรบาาทธ า, านี่แหละคือทางแห่งพระผู้ยบาน ของเจ้าอันที่งดุลถ้าจริงเราได้แจกแจงองค์การทั้งหลายไว้แล้วสําหรับกลุ่มชนที่ึกลเปบบววาา็นสำหรับพวกเขานั้นคือบ้านแห่งความสันติณนะพระผู้อธิบาลของพวกเขาโดยที่พระองค์ทรงเป็นผู้คุ้มครองพวกเขาเนื่องจากสิ่งที่พวกเขา วันที่จะพูดกับพวกมันและَัَที่จะพูดกับพวกมันและวันที่จะพูดกับพวกมันและวันที่จะพูดกับพวกมันและวันทََ่ะพูดกับพِกَันและวันที่จะพูดกับพวกมันแล ك ك และ ว, วันที่พระองค์จะทรงชุมนุมพวกเขาไว้ทั้งหมดโดยการขึ้นว่าโอหินทั้งหลายแท้จริงพวกเจ้าดได้กระทำแก่มนุษย์มากมายและบรรดาสหายของพวกเขาจากมนุษย์ก็ได้กล่าวว่า โอพระวิบาลของเราบางส่วนของพวกเรานั้นได้รับประโยชน์ด้วยอีกบางส่วนและพวกเราก็ได้ถึงซึ่งกําหนดเวลาของพวกเราที่พระองค์ได้ทรงกําหนดไว้แก่พวกเราพระมตรดาว่านรกนั้นคือที่อยู่ของพวกเจ้าโดยที่จะอยู่ในนั้นตลอดกาลนอกจากสิ่งที่ล้อสงประสงค์เท่านั้นแท้จริงพระผู้วิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงปริชาญาณ وكذلك นวลีบาง้ดมีนบาง่ كانوا ในทํานองนั้นแหละเราจะให้บางส่วนของผู้อารรมทั้งหลายเป็นสหายกับอีกบางส่วนเนื่องจาก สิ่งที่พวกเขาได้เคยขนขวามเอาไว้ วกเ า, า, า, า, อ า, าโอ้ยินแหละมนุษย์ทั้งหลายบรรดาศาสนาทูตจากพวกเจ้ามิได้มาอย่างพวกเจ้าหลอกหรือโดยที่พวกเขาจะเล่าให้พวกเจ้าถึงบรรดาองค์การของข้าและจะเตือนพวกเจ้าถึงการพบกับวันของพวกเจ้า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 พระผู้อับาลของเจ้านั้นไม่เคยเป็นผู้ทำลายเมืองต่างๆได้ความมาทำโดยที่ชาวเมืองเหล่านั้นไม่รู้อะไรงานสำหรับแต่ละคนนั้นมีหลายระดับขั้นเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาได้ประกอบเอาไว้ และพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นไม่เคยเถอไผ่ในสิ่งที่พวกเขาได้กระทำกันและพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นคือผู้สรงมั่งมี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 จะมีมาแน่นอนและพวกเจ้านั้นไม่สามารถจะรอดทนได้จงกล่าวเถิด ม, มูฮัมหมัดว่าโอ้กลุ่มชนของฉันจงปฏิบัติตามสภาพของพวกเจ้าเถิด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 และนี่สําหรับภาคีของพวกเราแล้วส่วนที่เป็นของบรรดาภาคีของพวกเขานั้นก็จะไม่ถึงอัลลอฮ์แต่ส่วนที่เป็นของอัลลอฮ์นั้นจะถึงบรรดา ภ, าภาธีของพวกเขาด้วยช่างชั่วช้าจริงๆสิ่งที่พวกเขาตัดสิงชี้ขาดกันวุ ق ت ล أولادهم شركائهم ل ي ย ر ض ه م وليلبسوا عليهم อ ي ن ه م ولو شاء الله ما ف า ل و ه ق د ر ه มว م ا ي า ر ว ن ในทำนองนั้นแหละบรรดาภาคีของพวกเขาได้ทำให้สวยงามแก่พวกตั้งภาคีจนวนมากโดยการฆ่าลูกๆของพวกเขา เพื่อที่จะทํำลายพวกเขาและเพื่อจะให้เกิดความสับส น, นแก่พวกเขาต่อาศาสนาของพวกเขาและหากว่าเอาล้อสรงประสงค์แล้วพวกเขาย่อมไม่กระทํามันเจ้าจงปล่อยพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาอุปโลกไว้เถอะกลิม และพวกเขากล่าวว่านี่คือปะสสาวะและพืชผลที่หัวง่ามไว้ซึ่งไม่มีใครจะบริโภคมันได้นอกจากผู้ที่เราพระสนเท่า น, นั้นด้วยการกล่าวอ้างของพวกเขา และปาสุสั์ที่หลังของมันถูกห้ามและปาสสั์ที่พวกเขาจะไม่กล่าวนามของอัลลอฮ์บนมันทั้งนี้เป็นการอุปโภกควางเท็จให้แก่พรกซึ่งพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาได้อุปโลกขึ้น และพวกเขากล่าวว่าสิ่งที่อยู่ในท้องของฝศสัตว์เหล่านี้นั้นอาลุ ม, มัตเฉพาะบรรดาผู้ชายของเราเท่านั้นและเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแก่บรรดาภรรยาของเราและหากว่ามันตาย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 และหารมูมารซะกะฮมุลลอฮ์อิฟิราอานอันนลลฮ์กอดะลลวะมากานูมุห์ตะดีนฮจริงได้ขาดทุนแล้วบรรดาผู้ที่ขาลุกลุกของพวกเขาเพราะความโห่เขาโดยปราศจากความรู้และห้ามสิ่งที่อัลลอฮให้เป็นปัจจัยอย่างชีพแก่พวกเขาทั้งนี้เป็นการอุปโลกความเถิดให้แก่อลัลลอฮ้จึงนั้น พวกเขาหลงผิดไปแล้วโดยที่พวกเขาไม่เคยได้รับคำแนะนำเลย。 กล่มเมอและตัขนวันและุ่้มครองอินทร์แลม่ชอบผู้ที่มีสวนทั้งหลายขึ้นทั้งที่ถูกให้มีร้านและไม่ถูกให้มีร้านและต้นอินทผ ล, ลัมและพืชโดยที่ผลของมันมีรสชาติต่างกันและต้นใสตู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 มมา um จากประสบการณ์ได้ทรงให้มีสัตว์ที่ใช้บรรทุกและใช้ขนเป็นประโยชน์จงไว้พวกจากสิ่งที่ลอได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าเถิดและจงอย่าตามก้าวเดินของซาตอน ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آ ذ ك ر ي ن ح ر م أ م ا ل أ ن ث ي ن أ َ م ا ش ت م ل ت ع ل ي ه أ ر ح ا م ا ل أ ن ث ي ي ن ن ب ِّ ن ي ب ع ل م ِ ه และได้ทรงให้มีสัตว์8ตัวเป็นคู่คู่คือจากแกะ2ตัวจากแพะ2ตัวทรงกล่าวเถิดมูหมัดว่าตัวผู้2ตัวนั้นหรือที่พระองค์ทรงห้ามหรือว่าตัวเมีย2ตัวนั่นหรือที่มดลูกของตัวเมียทั้งสองนั้นได้คุ้มครองรักษาไว้พวกเจ้าจงแจ้งให้ข้าทราบด้วยความรู้อันใดก็ได้หากพวกเจ้าพูดจริง ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آ َّ ك ر ي ن حرم من ا ل أ ن ث ي ن أم اشتملت عليه أرحام ا ل أ م َ ي ن أم كنتم شهدا إذ وصّط الله بهذا فمن أظلم من من ا ف ت น ال ى على الله ي และจากอู๋สองตัวและจากวัวสองตัวจงกล่าวเถิดมอมัดว่าตัวู้สองตัวนั้นหรือที่พระองค์ทรงห้ามหรือว่าตัวเมียทั้งสองนั้นหรือที่มดลูกของตรงเมียทั้งสองนั้นได้คุ้มครองรักษาไว้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 إلا أي يكون ميتا أو دما مسروحا أو لحم خ ن ز ي ر فإنه رجس أو فسقا أهلا لغير الله به فمن ا ض ط ر غير ب ا غ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم <تصفيق> ว่าฉันไม่พบสิ่งที่ถูกให้เป็นองคการแก่สังนั้นมีสิ่งต้องห้ามแก่ผู้บริโภคที่จะบริโภคมันนอกจากสิ่งนั้นเป็นสัตว์ที่ตายเองหรือเลือดที่ไหลหรือเนื้อสุ ก, ก่อนแท้จริงมันเป็นสิ่งสกปรกหรือเป็นสิ่งละเมิดซึ่งถูกกล่าวนามอื่นจากล็อตที่มันถ้าผู้ใดได้รับความขับขันโดยไม่ใช่ผู้สแสวงหาและไม่ใช่ผู้ละเมิดแล้วใส่ แท้จริงพระวิบาลของเจ้านั้นเป็นผู้สรงอภัยโทษผู้ส่งเมตตาเสมอ และแก บ, บรราดาผู้ที่เป็นอยู่นั้นเราได้ห้ามสัตว์ทุกชนิดที่นิ้วเท้าไม่แยกจากะกะันและจากหัวและแกะนั้นเราได้ห้ามแก่พวกเขาซึ่งไขมันของมันทั้งสองนอกจากไขมันที่หลังของมันหรือลำไส้ได้อุ้มไหวหรือที่ปะปนอยู่ที่กระดูกนั่นแหละ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 บรรดาผู้ที่ตั้งภาคีนั้นจะกล่าวว่าหากอัลลทรงประสง์แล้วพวกเราก็ย่อมไม่ตั้งภาคีขึ้น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 นอกจากการคาดคะเนเอาเท่านั้นและพวกเจ้าไม่มีอะไรกันนอกจากการกล่าวเท็บเท่านั้ น, นลลจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่ารนั้นทรงมีหลักฐานทุกอย่างหากพระองค์ทรงประสนแล้วแน่นอนพระองค์ก็ย่อมให้ทางนาแก่พวกเจ้าทั่วทุกคน أ ن ه لَمْ ش ه َ د َ ا أ ك ُ م ا ل َّ ذ ي ن َ ي َ ش ه َ د و ن َ أَنَّ اللَّهَ ح َ م َ ه ذ َ ا ف َ إ ن شَهِدُوا فَلَا ت َ ش ه َ د م َ ع ه ُ م ْ وَلَا ت َ ت َ ب ع َ ه و ا ء ا ل َّ ذ ي ن َ كَذَبُوا ب ِ آ ي ا ت ِ ن َ ا و ا ل َّ ذ ي ن َ ل ا ي ُ ؤ م ِ ن و ن َ ب ِ ا ل آ خ ِ ر َ ة จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจงนำบรรดาพยานของพวกเจ้ามาเพื่อจะยืนยันว่าแท้จริงหระได้ส่งห้ามสิ่งนี้และถ้าพวกเขาเป็นพยานยืนยันเจ้าก็จงอย่ายืนยันกับเขา และอย่าตามอารมณ์ไต่ำของบรรดาผู้ที่ปฏิเสธองค์การทั้งหลายของเราและบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อประโลนโดยที่พวกเขาให้สิ่งอื่นเท่าเทียมกับพระพู้อายุบาลของพวกเขาคลต้าเล้ว أَفْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا ت ش ر ِ ك ُ ب ه ش ي ئ ا و ب ا ل و ا ل د ي ن ح س ا ن ا ولا تقتلوا أولادكم من إ م ل ا ق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظ ه ر منها وما ب ط ن ولا تقتلوا ا ل نفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك و ص ا ك م به لعلكم ت ع ق ل و ن ว่าพวกเจ้าจงมากันเถิดฉันจะอ่านให้ฟังสิ่งที่พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าได้ห้ามแก่พวกเจ้าคือจงอย่าตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นพาคีกับพรุ่งและจงทำดีแก่บิดามารดาและอย่าฆ่าลูกของพวกเจ้าเนื่องจากความจดเราเป็นผู้ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและแก่พวกเขาด้วยและจงอย่าเข้าใกล้สิ่งชั่วช้า ทั้งที objetos, ่เป like ิดเผยและที่ไม่เปิดเผยและจงอย่าฆ่าชีวิตที่เราสรงห้ามไว้นอกจากด้วยสิทธิอันชอบทำเท่านั้นนั่นแหละคือที่พระองค์ได้ทรงสั่งเสียมันไว้แก่พวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้ใช้ปัญญาลลลาตบบมยีีนนอิิหุชด และจงอย่าเข้าใกล้ทรัพย์สินของเด็กกำพร้านอกจากด้วยวิธีทางที่ดียิ่ง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 ทรงสั่งเสียมันไว้แก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ดำลึกถ้าจริงนี่คือทางของท่าอันที่ยงตรง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 เพื่อพวกเขาจะได้สถาทาต่อการพบกับพระผู้อธิบาลของพวกเขานี่แหละคือคำภีที่มีความจำเริญซึ่งเราได้ประทานลงมาอย่างเจ้าจงปฏิบัติตามคำภีนั้นและจงยำเกรงเถอ เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความเมตตาออเไม่เช่นนั้นพวกเจ้าจะกล่าวว่าแท้จริงคำพีได้ถูกประทานลงมา มาให้แก่สองกล um, ุ่มก่อนหน้าพวกเราเท่านั้นแต่แท้จริงพวกเราไม่รู้เรื่องการอ่านของพวกเขา。เอออออาาูลลลววันนนุุุุุิิยบบบมมมดดดหกจร หรือไม่ก็พวกเจ้าจะกล่าวว่าแท้จริงเรานั้นหาได้มีคาพีถูกประทานลงมาแก่พวกเราแล้วไซแน่นอนพวกเราก็เป็นผู้ที่อยู่ในอุปถัม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 هل ي ظ ر و ن إلا أن ت أ ت ي ه م الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. แลมตุ من من ุนอาเมนต์มิ่งคดลก و คสบตีอิมาน์ฮาขยรากลิ่นทัรูอินนามุนทัรูพวกเขาไม่ได้รอคอยอะไรนอกจากการที่มลาลัยกาจะมาอย่างพวกเขาหรือการที่พระผู้อธิบาลของเจ้าจะมาหรือการที่สัญญาณบางอย่างแห่งพระผู้อภิบาลของเจ้าจะมา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 หาเช่อยู่ในพวกเขาแต่อย่างใดไม่แท้จริงเรื่องราวของพวกเขานั้นย่อนกลับไปสู่อัลลอฮ์และพระองค์จะส่งแจ้งให้แก่พวกเขาทราบในสิ่งที่พวกเขาเคยกระทำกันไว้มจบิะละตตรอ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 ต้อ um. ิิมหารับงกล่าวเถิดมอห์มัดว่าแท้ที่จริงนั้นพระผู้บาญของฉันได้แนะนำฉันไปสู่ทางที่ถ่อเป็นศาสนาแทนแท้อันเป็นแนวทางของอิบรอฮิม ผู้ใฝ่หาความจริงแล้วก็ไม่เคยเป็นผู้ที่อยู่ในหมู่ผู้ตั้งพาธีต่อหลอกกล่าวอมางิระมูฮัมหมัดม د, ว่าแท้จริงการละหมาดของฉันและการเชื่อสัตว์ปรของฉันและการมีชีวิตของฉันและการตายของฉันนั้นเพื่อหล่ผู้เป็นพระผู้อภิบาล แ่นสาาบกกลลลโเทัะหไม่มีภาทีใดๆสำหรับรมและได้สิ่งนั้นแหละที่ฉันถูกชายแต่ฉันคือคนแรกในหมู่มุสลิมทั้งหลายไม่มีพาธีใดๆสำหรับผมและด้วยสิ่งั้นและที่ฉันถูกใช้แตัคือนแรกในหมู่มอสลัยหา و و จงกล่าวเถอด ม, มูมัดว่าอื่นจากอลอกกระนั้นหรือที่ฉันจะสแสวงหาพระผู้อภิบาลทั้งทั้งที่พระองค์นั้นเป็นพระผู้อภิบาลของทุกสิ่ง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 และพระองค์นั้นคือผู้ที่ส่งให้พวกเจ้าเป็นผู้แทนในแผ่นดินแต่ได้ส่งเทิดบางคนในหมู่พวกเจ้าเหนือกว่าอีกบางคนหลายท่าน เพื่อที่พระองค์จะทรงทดสอบพวกเจ้าในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเจ้าแท้จริงพระผู้บัญชของเจ้านั้นเป็นผู้รวดเร็วในการลงโทษแต่แท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาสมอ บทอัลอันอามเป็นบทมักกยาะมิร